ความเศร้าโศกเป็นสิ่งที่เราเพิ่มเข้าไปบนความสูญเสียมันเป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการเรียนรู้เฉพาะในบางวัฒนธรรมเท่านั้นมันไม่ใช่เรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ อาตมาคนพบเรื่องนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้ใช้เวลากว่า8ปปีในชุมชนชาวพุทธในเอเชียแบบของแท้ดั้งเดิมช่วงปี แ, แรกๆที่ได้อยู่ในวัดป่าในพุทธศาสนาณดินแดนที่ห่างไกลความเจริญของประเทศไทยวัฒนธรรมตลอดจนความคิดเห็นต่างๆทางตะวันตกยังไม่เป็นที่รับรู้ วัดของอาตมาเป็นป่าช้าสำหรับหลายหลายหมู่บ้านในอารวกนั้นมีการเผาศพเกือบทุกอาทิตย์ในงานเผาศเป็นร้อยครั้งที่อาตมาได้พบเห็นในช่วงส0สิปีที่แล้วอาตมาไม่เคยเห็นใครร้องไห้สักคนเดียวอาตมาได้พูดคุยกับครอบครัวผู้ตายในวันต่อๆมาก็ยังไม่ได้เห็นร่องรอยของความโศกเศร้าอยู่ดี คนที่เห็นย่อมสรุปได้ว่าไม่มีความเศร้าโศกเกิดขึ้นอาตมาได้รู้ว่าภาคอีสานในเวลานั้นเป็นดินแดนที่คำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างรากลึกมานานหลายศตวรรษความตายเป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับในทางที่หักหลางกับทฤษฎีทางจิตศาสตร์ตะวันตก เกี่ยวกับความเศร้าโศกและการพัดพร่าวันเวลาเหล่านั้นได้สอนอาตมาว่ามีทางเลือกอื่นนอกเหนือจากความโศกเศร้าไม่ใช่ว่าความเศร้าโศกจะเป็นเรื่องไม่ถูกต้องเพียงแต่ว่ามีความเป็นไปได้อย่างอื่น การสูญเสียผู้ที่เรารักสามารถมองได้อีกนยะหนึ่งซึ่งจะทำให้เราหลีกเลี่ยงวันเวลาอันยาวนานแห่งความเศร้าโศกทีน่าเวทนาได้พ่อของอาตมาเสียชีวิตตอนอาตมาอายุเพียง16ปีสำหรับอาตมาแล้ว ท่านเป็นชายผู้ยิ่งใหญ่ท่านเป็นผู้ที่ช่วยให้อาตมาได้ค้นพบความหมายของความรักจากคำพูดของท่านไม่ว่าลูกจะทำอะไรในชีวิตลูกเอ๋ยประตูใจของพ่อจะเปิดรับลูกเสมอ แม้ว่าความรักที่อาตมามีต่อท่านมากมายมหาศาลอาตมาก็ไม่ได้ร้องไห้ในงานศพของท่านและไม่เคยร้องไห้ที่ถึงท่านเลยตั้งแต่บัดนั้นอาตมาไม่เคยรู้สึกอยากร้องไห้ที่ท่านจากไปก่อนเวลาอันควรมันกินเวลาหลายปีทีเดียวกว่าอาตมาจะเข้าใจความรู้สึกของตัวเอง เกี่ยวกับการตายของท่านความเข้าใจนั้นเกิดขึ้นจากเรื่องที่อาตมากำลังจะเล่าให้โยมฟังต่อไปนี้เมื่ออาตมาเป็นหนุ่มอาตมาชอบฟังเพลงทุกประเภทตั้งแต่เพลงร็อกจนถึงเพลงคลาสสิก ตั้งแต่เพลงแจ๊สจนถึงเพลงพื้นบ้านลอนดอนเป็นเมืองที่เลิศสำหรับคนที่กำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวเมื่อ34ปีที่แล้วโดยเฉพาะสำหรับคนที่รักดนตรีอาตมาจำได้ถึงครั้งที่ไปฟังวงเลดซปลินแสดงอย่างเขิน เป็นครั้งแรกๆในคลับเล็กๆย่านโซโฮแล้วอีกวาระหนึ่งพวกเราเพียงไม่กี่คนนั่งดูรัสจวดซึ่งขณะนั้นยังไม่มีใครรู้จักร้องนำในวงร็อกที่ห้องชั้นบนของผับเล็กๆทางเหนือของกรุงลอนดอนอาตมามีความทรงจําอันมีค่าหลากหลายฉากเกี่ยวกับดนตรีในกรุงลอนดอน ในช่วงเวลานั้นเวลาคอนเสิร์ตจบลงอาตมาตจะตะโกนเอาอีกเอาอีกร่วมไปกับคนอื่ น, นโดยปกติแล้ววงดนตรีหรือวงออร์เคสตราจะเล่นต่อให้อีกสักระยะหนึ่งแต่ในที่สุดก็ต้องถึงเวลาเลิกรา เก็บข้าวเก็บของกลับบ้านอาตมาก็เช่นกันในความทรงจำของอาตมามันดูราวกับว่าทุกๆค่นคืนที่อาตมาเดินจากกลับพับหรือโรงแสดงคอนเสิร์ตกลับบ้านฝนมักจะกำ ล, ลังตกอยู่เสมอมีคำเฉพาะ ไว้เรียกฝนแบบที่มักจะตกในกรุงลอนดอนที่ดูมัวสัวซึมเศร้าว่าฝนตกโปรยปรยหรือดิซเซอฝนในความทรงจำของอาตมาเมื่อกลับจากโรงแสดงคอนเสิร์ตมักจะเป็นชนิดฝนตกโปรยปรยหนาวเย็นและซึมเศร้าแม้อาตมาจะรู้แน่แก่ใจว่าอาตมาคงไม่มีโอกาสได้ฟังวงดนตรีวงนั้นอีก และอาตมาจะไม่มีวันได้พบพวกเขาอีกไม่เคยเลยสักครั้งที่อาตมาจะรู้สึกเศร้าหรือร้องไห้ขณะที่อาตมาเดินออกไปสู่ความหนาวเย็นชื้นแฉะและความมืดในยามค่ําคืนของกรุงลอนดอนเสียงดนตรีอันเร้าใจยังคงก้องสะท้อนอยู่ในใจของอาตมาเที่ยงจริงๆมันจริงๆ โชคดีจัมัดเลยที่เราได้มาฟังอาตมาไม่เคยเศร้าใจเลยเมื่อการแสดงคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่สิ้นสุดลงนั่นเป็นความรู้สึกเช่นเดียวกันกับความรู้สึกของอาตมาเมื่อพ่อตายมันเป็นเช่นการแสดงคอนเสิร์ตอันยิ่งใหญ่ที่ต้องจบลงในที่สุด มันเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมเมื่อมันใกล้จะจบก็เหมือนกับที่อาตมาร้องตะโกนว่าเอาอีกเอาอีกพ่อผู้เป็นที่รักของอาตมาต่อสู้อย่างหนักเพื่อจะมีชีวิตต่ออีกไม่นานนักเพื่อเราแต่ในที่สุดก็ถึงเวลาที่ท่านจะต้อง เก็บข้าวเก็บของกลับบ้านเมื่ออาตมาเดินออกมาจากชาพนกิจสถานที่มอดเลกตอนจบพิธีท่ามกลางฝนตกโปรยฝนอันเย็นเยียบของลอนดนอนอาตมาจำมันได้อย่างแจ่มชัดรู้แจ้งแก่ใจว่า อาตมาคงไม่มีโอกาสได้อยู่กับท่านอีกและท่านได้จากไปตลอดกาลอาตมาไม่ได้รู้สึกเศร้าหรือแม้แต่จะร้องไห้สิ่งที่ก้องอยู่ในใจของอาตมาคือท่านช่างเป็นพ่อที่วิเศษเหลือเกินชีวิตของท่านเป็นแรงบันดาลใจที่ทรงพลังจริงๆเราช่างโชคดีเหลือเกินที่ได้เกิดเป็นลูกชายของท่าน ขณะที่อาตมาจูงหมือแม่ก้าวเดินไปข้างหน้าอาตมารู้สึกเบิกบานเป็นอย่างยิ่งเช่นที่รู้สึกยามเดินออกมาจากการแสดงคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตจะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมขอบคุณครับพ่อ ความเศร้าโศกเกิดจากการเพ่งมองเฉพาะความพลัดพรากในขณะที่ความสำนึกในบุญคุณของผู้ที่จากไปและความรู้สึกกตันอยู่ที่เกิดขึ้นนำไปสู่การฉลองชีวิตที่ดีงามที่ปิดฉากลง